บนทางชีวิตที่เดินก้าวไปปะปนสุขทุกข์เปลี่ยนพันเนบนาวจิตใจบางค ร, ราโหดร้ายยาเกินใจรับทันพกพันบนโลกพระหลงมืดมัวจิตใจ ทางเดินสิ์วนลงเวียนในพบไม่เคยได้รู้ว่าชีวิตมีค่าเพียงใดอาจารย์ตามหาไม่เคยได้ทิ้งไกลปากคำที่รักร้อยให้ดวงใจจกาคืนคำร้อยพัน ชนกลับหวนคืนบำเพ็ญหนึ่งใจให้จริงเท่านั้นเบิกทางจิตนั้นสู่ฝันถึงฟ้ามารดาอาจารย์ตาสแสงมอบรักให้ทุกคนศิษยรักสทา จทิทีวสิรักนอ้องขอกิเลสรัด ก, กุมจิตพาชีวิตให้ถูกรมระทมมองสิทรักหนาอารมณ์เจ็ดเข้ายึดครองไปเรียกร้องปราถนามิรู้หอสิทรักต้องรู้สลัดขจัดทิ้งมีประวิงรู้บำเพ็ญเช่นพุทธะยุคสามรู้บำเพ็ญร่วมอิสระ เยมานะปณิธานยานิรันดร์คำร้อยพันหมืน่นื่นวันจะตื่นฟูฟื้นใจนั้นงดงามไปสู่จุด เป็นหนึ่งใจให้จริงเท่านั้นเบิกทางจิตนั้นสู่ฝันชิงฟ้ามารดาอาจารย์สาธเต็มมอบรักใทุกคนสิทธิ์รักสถามันคองจัน เสร็จรักจากนี้ทุ่งเทจนที่ปว่า